นนี้มีพระเพิ่มอีกหนึ่งรูปเรียกว่ า, าศาสนทายาทเกิดขึ้นอีกหนึ่งรูปเพิ่มจำนวนาศาสนทายาทเป็นสิ่งที่ดี เพราะการบวชถือว่าเป็นการทำในสิ่งที่ทำได้ยากกว่าจะได้รูปสมบัติเป็นสมณะในพระธรรมวินัยนี้ก็ต้องเกิดด้วยความศรัทธาด้วยความเลื่อมใสแต่นี่ว่าดุปปะบัชชังการบวช ไม่ใช่เรื่องง่ายลุบบอสช่าการบวชเป็นเรื่องยากแต่แปลว่าการบวชเป็นเรื่องยากก็ได้หรือแปลว่าการบวชไม่ใช่ทําได้ง่ายก็ผู้ที่จะบวชนั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง เช่นมีอายุครบ20มีความศรัทธาเลื่อมใสที่จะเข้ามาในพระธรรมวินัยนี้มีอุปชามีเขตที่เป็นอุโบสถหรือเรียกว่าวิสุงขามสีมามีพระอนุสาวนาจารย์พระกรรมวาจ า, จารย์มีพระผู้เป็นพยาน เดินเรียกว่าพระอันดับอย่างน้อยต้องสิบรูปขึ้นไปเหล่านี้มีบาทมีบริคารมีผู้รับรองนั่นก็คือรูปแบบที่เป็นองค์ประกอบทำให้การบวชสำเร็จและสามารถท่องคำขอบรประชาอุปสมบท ด, ด้วยตนเองได้ อ่านออกเขียนได้ทองได้ท่านจึงกล่าวว่าการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายดุปบัตชังแปลว่าการบวชไม่ใช่เรื่องง่ายทีนี้บวชขึ้นมาแล้วนี่ท่านก็กล่าวต่ออีกว่าดุระพิระบังคำว่าดุระพิระมังแปลว่าการยินดียินดีในเพศนักบวช ยินดีในเพศนักบวชยินดีในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามข้อบังคับข้อปฏิบัติของภิกษุในพระธรรมวินัยก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากเองเหมือนกันนะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากจึงเราจะเห็นได้ว่าเมื่อบวชเข้ามาเขาว่าบวชยากแล้วแหละแต่พอบวชเข้ามาแล้วยินดีใน เพศของนักบวชหรือว่ามีนิสัยที่จะประพฤติปฏิบัติตามนิสัยของผู้เป็นสมณะก็เป็นเรื่องที่ทาได้ยากมีกิจมีกติกามีวัดวัดเจนอุปชายวัดอาจารยวัดอันเตวาสิกวัด จติวิหาริกวัตอาวาสิกวัตคมิสกวัตเหล่านี้จึงด้นแล้วแต่เป็นข้อปฏิบัติทางนั้นนะการทากิจไหวพระสวดมนต์พิขาจาย์บินทบาทเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานะการรักษาบริคารการรักษากิริยามารญาตของผู้เป็นนักบวช รวมไปถึงการทำหน้าที่เรียนรู้ศึกษาข้อธรรมให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนอาจสามารถที่จะนำทมที่เราเรียนรู้ศึกษานั้นออกเผยแผ่เบื้องต้นก็โปรดพ่อโปรดแม่โปรดญาติพี่น้องให้ได้ฟังธรรมะมได้ เข้ามาบวชแล้วได้ศึกษาได้เล่าเรียนได้ประพฤติปฏิบัติเข่นนี้เข่นนี้ก็ยิ่งยากหนักขึ้นไปอีก่ากนั้นท่านจึงว่าดุระพิระมังการที่จะยินดีในเพศนักบวชก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยากที่จะยินดีเสมอไปก็ยิ่งยาก แตย่ยินดีชั่วขณะชั่วครั้งชั่วคราวชั่วข้อกำหนดที่เราตั้งใจ15วัน20วันเดือนพรรษาก็ยังถือว่าดีทำไมถึงว่ายังถือว่าดีก็ไมถึงว่าเราได้มีโอกาส <c oughs> ที่มาอยู่ในเพศของบัพพชิต เมื่ออยู่ในเพศของบรรคชิตข้อปฏิบัติต่างๆที่บรรคชิตควรปฏิบัติก็เหมือนกับที่เราสวดทุกเย็นทุกเย็นที่สวดหลงหลงลืม ล, มลืมอยู่วันนี้ไปมามาเราเไม่มีใครช่วยสวดเดียวเราหลงแล้วก็หมดเลยลูกน้องมีเป็นสิบไม่มีใครช่วยสักคนเลยหนังสื้อก็เต็มถือคนละเล่มละเล่ม แน่มันหน้าโมโหนะไม่มีใครช่วยเลยพอเราหลงปุ๊บคนช่วยไม่มีเลยนักมันเป็นยังไงแสดงให้เห็นถึงว่าอาศัยแต่หัวหน้ากิตีกินอย่างเดียวนะี่ยก็เรียกว่าอาศัยบุญบารมีหัวหน้าอย่างเดียวแต่หัวหน้าตายแล้วก็คงจะลอยแผ่กันเลยแหละมันเป็นอย่างนั้นนะอย่างนั้นสิ่งที่ควรจดจํา ควรเรียนรู้ควรประพฤติปฏิบัติเราต้องทำต้องทาอิจจวัดต่างๆก็เหมือนกันต้องทำต้องทำต้องเรียนรู้ต้องทำให้ได้ไม่ใช่ว่าบวชเข้ามาเพื่อรอวันที่จะศึกรอวันที่จะได้อยู่ได้กินไปวันๆเฉยๆมันก็ไม่ได้ประดับศา ส, สนาให้เจริญรุ่งเรือง ไม่เป็นคุณเป็นประโยชน์กับพระศาสนาเป็นแต่เพียงมาอาศัยพระศาสนาเลี้ยงชีพอันนี้ก็ประโยชน์ได้น้อยอั น, นั้นเมื่อบทเข้ามาตั้งใจทําให้มันครบทํากิจให้มันครบอย่าให้มันพลาดอันนี้คือข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่บวชเข้ามา จนนัยยะของพระธรรมเทศนาที่เราได้สดับในช่วงนี้ในช่วงนี้ก็คือในช่วงที่เอาพระธรรมเทศนาในเปตวัตถุเปตวัตถุแปลว่าเรื่องของเปรตเรื่องของเปรตนี่เยอะนะแต่จริงจะว่า แต่ว่า ท, ที่ท่านมารวบรวมไว้นี่เยอะนี่ไม่ใช่ละเยอะกว่านี้นะถนับเป็นแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวนี่เอามาพันนา น, านี่โอ้เยอะในตำลานี่ก็มีนอกตำลาก็เยอะนะแล้วเราไปอ่านประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เช่นพระอาจารย์ใหญ่มั่นพุริทัตโตอย่างเงี้ยนะหรือไป ดูประวัติของหลวงปู่จันาทาถาวโรหลวงปู่้ขาอนารโยหลวงปู่ชอบฐานะสโมซึ่งท่านเป็นผู้มีอภิญยาสามารถรู้เห็นถึงภพภูมิของเปรตเหล่านี้ซึ่งมันมีอยู่มากมากทีเดียวแหละไม่ใช่ว่า มีเฉพาะที่ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำรานี้เท่านั้นทั้งนี้ทั้งนั้นดังที่กล่าวไว้เมื่อ ว, ว, วันเมื่อวานนที่ว่าที่มีคนถามถามพระพุทธเจ้าถามว่าผู้ที่ได้รับส่วนบุญที่ลูกหลานญาติสายโลหิตอุทิศไปให้นั่นก็คือคือประเภทไหน ก็คือประเภทที่ไปเกิดเป็นเปลตทีนี้เมื่อไม่มีคนที่เป็นญาติสายด้อยเหตไปในปในในชาตินี้ไปเกิดเป็นเปรตอ ล, ละ่ะอื่นๆนั้นมีไหมพุทธเจา้าบอกมีแล้วอื่นอีกโน่นมีไหมมีนะ <c oughs> จะนับไปไกลเท่าไหร่ก็มี เป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีฉะนั้นการอุทิศบุญกุศลเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะเป็นการอุทิศบุญไปช่วยเหลือเปรตชนที่เป็นญาติผู้รู้ท่านจึงแนะนำแนะนำว่าจิตวิญญาณ น, น้อยใหญ่ที่เกี่ยวเนื่องกับเราตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ที่มาเกิดเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับเรามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนีให้มาได้มีส่วนอนุโมทนาต่อบุญที่เราได้ทำนี้ดังที่กล่าวว่าผู้ที่ไปเกิดเป็นเปรตนั้นไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นคนเป็นญาติพี่น้องในชาติที่เราเกิดร่วมกันนี้ไปเกิดเป็นเปรตไม่ใช่นะ เทว ด, ดาก็ตายมาเกิดเป็นเปรตได้พรหมก็หมดบุญจากพรหมโลกมาเกิดเป็นเปรตได้สัตว์นิรันดร์หมดกรรมจากสัตว์นิรันดร์ไปเกิดเป็นเปรตได้หรือสัตว์นรกที่พ้นจากนรกอันเป็นกรรมอันหนักแล้วก็มามีเศษบาป ก, ก็มาเกิดเป็นเปรตได้ ฉะนั้นจึงที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีที่คนที่เป็นญาติสายโดยเหตุที่ไม่มีม่ในภพภูมิที่เป็นเปรตนี่ไม่มีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีที่ไม่มีเป็นไปไม่ได้ที่ไม่มีฉะนั้นความเกี่ยวเนื่องของสัตวโลกที่เรารู้จักกันซึงมีอยู่มากมายนับภพบนับชาตินับกับนับกันไม่ท้วน จึงเป็นสิ่งที่ควรอุทิศบุญกุศลให้กับจิตวิญญาณหรือเปตะชนเหล่านี้ทางนี้ทางนั้นก็เพราะว่าเรานี่มีโอกาสเรามีโอกาสกว่าเขาเหล่านั้นหรือบางทีเราอาจจะเราอาจจะจาริกหรือสัญจรไปตรงนั้นก็ได้ไม่แน่ใช่ไหมเพราะเราก็ทําบาปทํากรรมเหมือนกันนี่ เกิดมานี่มีใครละที่ไม่ทำบาปทำกรรมดังนั้นถ้ามันยังมีเศษบาปที่ยังไม่ได้อโหสิกรรมกันหมายถึงว่าเจ้ากรรมนายเวรไม่ยอมอย่างนี้มันก็ต้องสัญจรไปตรงนั้นอย่างแน่นอนหมว่าเรามีโอกาสมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงว่าเป็นลาบเป็นโชคเป็นโชคอันยิ่งใหญ่อันประเสริฐทีเดียว ญาติสนิทมิตรสหายของเรานั้นมากมายเ๋ยวเรามีโอกาสมาเกิดถือว่าเรามีโชคดังนั้นเมื่อเรามีโชคเนี่เราจะสวยสุขแต่เพียงลำพังผู้เดียวไม่นึกถึงญาติมิตรเหล่านั้นก็เป็นการไม่ควรเป็นการไม่ควรทั้งว่าเรามีโอกาสมากกว่าเขาเหล่านั้นสมควรอย่างยิ่งที่จะแผ่ความปรารถนาดีแผ่บุญแผ่กุศล ไปให้นั่นแหละคือคือท่านท่านท่านจึงแนะนำวิธีปฏิบัติเหล่านี้แต่เปรียบเทียบม่เห็นเหมือนกับเหมือนกับว่าเราเช่นเราอยู่อยู่บ้านนอกอยเงี้ยอยู่บ้านนอกครอบครัวนี้มีลูกกี่คนมีญาติกี่คนต่างคนต่างก็พยายาม ที่จะลงขันกันเพื่อให้คนใดคนหนึ่งได้ไปศึกษาเล่าเรียนเมื่อศึกษาเล่าเรียนตามทุนที่มีนั้นจบแล้วก็เอาวุธิความรู้นั้นไปทำงานเมื่อทำงานก็ต้องได้เงินแหละเมื่อได้เงินมาแล้วนี่ถ้าหากว่าเป็นผู้มีน้าใจจะต้องนึกถึงแหละนึกถึงอุปการะคุณ ของญาติของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของทุกๆคนแหละที่มีส่วนช่วยให้ตนเองประสบผลสำเร็จจึงเป็นเรื่องที่จะต้องตอบสนองตอบสนองถ่ายเป็นทุนของรัฐบาลก็ยิ่งหนักเนเพราะว่าเป็นภาษีของคนทั้งประเทศ <Yeah. S 1> พวกที่ชอบกู้ยืม ทุนอะไรนะเช้วันนี้เขาเรียกว่าอะไรกอเยสออะไร น, นี่แล้วทำให้เอามาคืนนั่นแหละเป็นเป็นหนี้ของคนทั้งประเทศเพราะว่าเป็นเงินภาษีของคนทั้งประเทศทำให้คืนหรือไม่ทําคุณงามความดีคืนไม่คืนทรัพย์สินเงินทองนั้นก็เป็นบาปก็เป็นบาป <c oughs> ที่ติดตัวไปอันนี้สําคัญนะ นนเมื่อมีโอกาสเปรียบเทียบไม่เห็นว่าเขาเขาเมื่อจบแล้วเมื่อได้ทำงานแล้วต้องนึกถึงนึกถึงที่คนที่มีอุปการะคุณจึงเปรียบได้กับเหมือนพวกเราที่มาเกิดนี่คนที่ไม่มีโอกาสมาเกิดเหมือนกับพวกเรานี่เยอะจิตวิญญาณน้อยใหญ่ที่ยังสเสวยบุญสเสวยบาปโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือบาปอยู่นั่นแหละเราได้ม่โอกาสมาเกิดนี่เหมือนกับเราได้ รับสิทธิพิเศษมาเกิดและประสบผลสำเร็จคือเกิดมาเป็นค น, น ย, ยังไม่ยังไม่ตายมีความรู้มีความสามารถจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องระลึกนึกถึงบุคคลเหล่านั้นที่ไม่มีโอกาสเหมือนเรานั่นก็หมายถึงว่าทำคุณงามความดีแพ่ สิ่งที่ดีๆคือบุญกุศลนั่นนะไปให้เขาเหล่านั้นนั่นนี่อันนี้เป็นข้อสำคัญนะฉะนั้นเราเราต้องนึกนึกนึกกว้างว่าชีวิตของเรานี่มีชีวิตเดียวก็จริงแต่ความเกี่ยวเนื่องนั้นเยอะฉะนั้นพุทธเจ้านี่ยี่พระองค์ตัดสรุวแล้วนี่ถ้าหากว่าไม่นึกถึงอุปการคุณของสัมพสัตว์เหล่านี้ ก็เสด็จดับกันทั้งปริญิาพานเลยแหละแต่ด้วยความที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาทั้งพระองค์เองทำด้วยพระองค์เองด้วยแนะนำบุคคลอื่นๆให้ทำให้ช่วยกันทำด้วยคือลาพังพระองค์เอ ง, เองเน่ะทำคนเดียวไม่ไม่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่หมดเลยนะเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่มันเยอะทีเดียวนะนะแหละดันั้นต้องให้สาวกทั้งหลายช่วยกันทำ ช่วยกันเรียนรู้ศึกษาช่วยกันประพฤติปฏิบัติช่วยกันแผ่ความปรารถนาดีคือแผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้ทําอย่างนี้จึงเป็นข้อปฏิบัติที่มีมามีมาแต่ไหนแต่ไรอย่าเรียกว่าพระพุทธเจ้าองค์กร น, นู้นก็คือปฏิบัติฉย่นั้นคำคำคำบาลีทั้งหลายที่เราได้ยินได้ฟังจึงเป็นคําที่ มาจากความรู้ความเข้าใจที่ชัดแจ้งอย่างคำให้พรที่เอามาใช้เนี่ยยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาขลังเนี่ยที่แปลว่าห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทิ น, นังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วแต่โลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์ แกผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้นเนี่ยท่านก็กล่าวไว้ชัดเจนเป็นคำศัพท์บาลีฉะนั้นการอุทิศบุญกุศลนั้นไม่ไร้ผลในบุญกิริยาวัตถุสิบท่านก็กล่าวไว้ปฏิธานะใหม่อนุโมทนาใหม่ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสัตว์ตนนั้นหรือจิตดวงนั้น หลงไปตกอยู่ในภพภูมิที่ต่ํามันเปรียบได้เหมือนกับว่าต้องเรียกว่าหลงเดี๋ยวไหมหลงต้องเรียกว่าหลงหลงหลงทางหลงทางไปทําบาปหลงทางไปทํากรรมเช่นอาศัยความอาศัยความโลภ ก, ก็ไปทําบาปนี่ความโลภพาทำอาศัยความอาศัยความโกรธ โกธก็พาไปทําบาปอันนี้ก็พระพุทธเจ้าก็ทรงเมตตาว่าน่าสงสารน่าสงสารเพราะถูกความโลภถูกราคะครอบงำไปทําบาปถูกโทสะครอบงำไปทําบาปถูกโมหะความหลงเนี่ยครอบงำไปทาบาปถูกความอิจฉาริษยาความอาฆาตพยาบาทเหล่านี้ครอบงำไปทําบาปมันเปลี่ยมได้เมื่อคน คนที่ปัญญาอ่อนหรือคนไร้เดียงสาทำนองนี้เนะี่ยถ้าเราเราเรามาเปรียบกับกับมนุษย์ในปัจจุบันเนี่ยมันน่าสงสารนะเหมือนคนหลงทางคนหลงทางหรือคนอย่างเช่นที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่ว่าเด็กสิบาคนไปเข้าถ้าอันนี้ก็เป็นเป็นเหมือนกับความไม่รู้ไม่เข้าใจจะเรียกว่าเพราะความโลภหรือเพราะความโกรธหรือเพราะความหลงก็คือได้ทั้งหมด จนผู้รู้ท่านก็จะมองว่าเป็นสิ่งที่น่าสงสารเหมือนสัตวโลกที่เกิดขึ้นมาแล้วทําบาปทํากรรมเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจรู้อำนาจแก่กิเลสตัณหาทําบาปทํากรรมท่านก็ช่วยนะท่านก็ช่วยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าต้องต้องซ้ำเติมเราจะเห็นนะว่าคำคำสอนของผู้นำเจ้านี่ไม่ได้ซ้ําเติมนะ มิตรเมตตามเมตตาน่าสงสารเขาฉะงนั้นบุญได้เจ้าถึงว่าม า, มาตรสรู้แล้วเอาธรรมมาสอนพระประสงค์นั้นคือเพื่อที่จะช่วยเหลือสัตวโลกทั้งหลายนี่ให้พ้นจากห่วงแห่งโอคะโอคะก็คือห่วงน้ำห่วงน้ำห่วงน้า ม, มันมีกามโอคะห่วงน้ำคือกามนย ห่วงน้ำคือกามทิโทฆะห่วงน้ําคือทิฏฐิอวิโชฆะห่วงน้ําคืออวิชานี่นี่ห่วงน้ำเลยเดี๋อจะเรียกว่าลาคะโทสะโมหะนี่ก็เป็นห่วงน้ํามีพระประสงค์เพื่อที่จะมาช่วยเหลือเบญญาสัตว์ผู้ได้ง่ายก็คือสอนให้าปน้ําก็ได้ายน้าไม่เป็นหนีน้ําไม่เป็นผู้ได้เจ้าก็มาบอกวิธี มันน่าสงสารถ้าพูดถึงว่าคนคนใจไม่มีเมตตาก็บอกช่างหัวมันเถอะปล่อยให้มันจมน้าตายอย่างนั้นแหละปล่อยให้มันลงไปนรกนั่นแหละถ้าพูดถึงว่าคนที่ไม่มีเมตตาใช่ไมแต่พระพุทธเจ้านี่ไม่ได้ไม่ได้คิดเช่นนั้นไม่ได้ทรงกระทาเช่นนั้นสอนสาวกทั้งหลายก็บรรลุกันพระองค์ใช้คาว่าผู้หุชนะหิตายะพู้หุชนะสุขายะ เทวมนุษย์สานังอนุกรรมปายะสอนให้พิสูจ์ทั้งหลายนี่ปฏิบัติว่าจงไปไปเพื่อแนะนำพัฒนสอนเขาคำว่าเขาในี่นี้กมายถึคนที่ไม่รู้เพื่อประโยชน์สุขของชนเป็นอันมากเพื่อเกื้อกูลคนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์ทั้งเทวดาและมนุษย์โน่นเห ไม่ใช่ธรรมดานะีอนุเคราะห์เทวดาและมนุษย์ด้วยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็มีทั้งคนดีคนชั่วมีทั้งคนโง่คนฉลาดมีทั้งคนจนคนมีเห็นไหมมนุษย์นี่ดังนั้นพรเจ้าทรงทรงทร ง, ทรงแนะนําสาวโให้ไปช่วยเขาให้ไปสอนเขาให้เปน็นแนะนําเขาสงสารเขามันเป็นอย่างนั้นนะังนั้นเราพิจารณาที่ดีถึงทำคําสอนของพระพุทธเจ้า นีแต่อโหสิกรรมอโหสิกรรมหรือมีแต่ช่วยมีแต่เมตตาแม้แต่คนที่จะมาทําลายทํำลายผู้ได้เจ้าเนี่ยก็ไม่เคยที่จะ ท, ที่ที่จะสนองตอบหรือหรือว่าแต่พูดแต่ในปัจจุบันเรียกว่าแจ้งความใช่ไหมแจ้งความหมิ่นประมาทไม่มีใครมาประมาทผู้ไ ด, ด้เจ้าผู้ไ ด, ด้เจ้าแจ้งความหมิ่นประมาทไม่มีใครมาลอบฆ่าผู้ได้เจ้าผู้ไ ด, ด้เจ้าให้ ลกศิษย์ไปแจ้งความออกหมายจับไม่มีไม่มีเลยมิแต่เมตตาเนี่นี่เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นบร ม, มครูของพวกเรานี่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่มากที่เราได้รู้อะไรดีๆเห็นอะไรดีๆหมายถึงรู้ดีรู้ชั่วนี่ก็เพราะอาศัยทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นหลัก นั้นทาคำสอนของพรุทธเจ้าจะมีสุกความสําคัญยิ่งที่เราต้องช่วยกันช่วยกันเรียนรู้ช่วยกันศึกษาช่วยกันปฏิบัติด้วยกันเผยแผ่นะคำว่าคำว่าทุกทุกคนนี้ต้องช่วยกันก็คือภิกษุสามนเณรอุบาสอุบาสิกาต้องช่วยกันนะช่วยกันรักษาก็คือช่วยกันเรียนรู้ศึกษาปฏิบัตินะพยายามลดละความเห็นแก่ตัวความขี้เกียจขี้คลานความโลภความโกรธความหลงในจิตใจของเรานี้ เป็นเบื้องต้นจากนั้นก็แนะนําคนอื่นให้รู้จักละความโลภความโกรธความหลงและคนที่โลภแล้วหลงแล้วหลงทางแล้วแล้วก็แนะนำแนะนําไม่เห็นไม่ได้แนะนำไม่ไม่เป็นกน็ก็ได้แต่แผ่เมตตานั่นลึงซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของความปรารถนาดีทั้งหมดดังนั้นทำคําสอนของผู้เผยเจ้านี่ครอบคลุม ครอบคลุมอันนั้นที่เห็นคนตกทุกข์ได้ยากทำบาปทำกรรมพวกตกนรกพวกเปรตสุรกายสติระชานที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเพราะทำทุจริตกรรมปานาอธินากามีมุสาสุลานี่แหละจึงตกไปอยู่ในภพภูมิเหล่านี้ทีนี้ขณะที่เป็นมนุษย์ จึงแนะนำํำคำสอนว่าให้ยึดหลักอันนี้นะยึดให้ได้เลยเว้นจากการเบียดเบียนให้ได้เว้นจากการลักขโมยให้ได้เว้นจากการประพฤติผิดในกามนี้ให้ได้เว้นจากการพูดเท็จพูดคำหยาบสอรร่อเสียดค่อยเจนี่ให้ได้ถ้าเว้นจากตัวนี้ไม่ได้นี่จะไปช่วยเธอจะไปช่วยคุณเนี่ยมันยากนะเห็นไหมพอลงนรกแล้วมันช่วยยากเล แต่บอกว่าห้ามว่าอย่าอยาอย่าไปนะตรงนี้นะอย่าไปเ อ, อมันก็จบใช่ไหมเดีนี้ห้ามแล้วว่าอย่าไปมันยังไปอยู่นี่ยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเออมึงอยากไปก็ไปตายช่างหัวมันไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ตามไปช่วยอีกแน่ๆเห็นไหมตามไปช่วยตามไปแผ่เมตตาตามไปขุดค้นหาโน่น อ, อยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามไปคําแผ่เมตตากว้างขวา ง, วางใช่ไหม อิมินาปุญญกรรมเมินนอุปจชญาคุณุตราอะจจะได้อยู่ประการลาจะจามาตาปิตาเจีาตากานะปิยา ม, มังสุริโยจันทิมาราชาคุณาวันตานาราปิจัภุมมะมาราจะอินทาจะตุโล ก, กัปหลาจะเดวตายะโมมิตามนุสาาัยจ่าวนไปถึงพยม马拉เนะี่ยพญาโยม马拉เนยะโมมิตามนุสาาัยจ่าแผ่กุศลไปหรือในความหมายเขาเรียกว่าลงไปช่วยไง เกิดเป็นพยาลมก็ไม่ใช่ว่าสบายพระบุตรเจ้าก็ให้แผ่เมตตาไปช่วยนะเกิดเป็นพรมก็ไม่ได้ไม่ทันเดินมายถึงว่าสบายนะต้องตายต้องเกิดต้องทุกข์อีกนะก็แผ่เมตตาไปช่วยแสดงให้เห็นถึงว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมโกรธ ข, ของพวกเราเนี่ยมีแต่ความปรารถนาดีนะพระเทวทัตทําร้ายพระองค์กี่รอบกี่รอบพระองค์ก็ยัง ทรงปรารถนาดีต่อพระเทวทัตทวาอย่านะอย่าทานะเนี่ยถ้าพราะองค์ปรารถนาไลาไม่จะยากอะไรนะี่าทิ้งง่ายๆ่ยยใช่ไหมสั่งลูกน้องรูปได้รูปหนึ่งก็ได้มีอยู่แล้วนี่หรือสั่งลูกศิษย์ที่เป็นพระราชาเนี่ยซึ่งมีอยู่มากมายนะ่ยาจัดการหน่อยสิมันทำให้หมู่คณะเดือดร้อนในคนเนี้ยมันจะยากอะไรเห็นแต่ไม่ทำ อนิวาโพเทบาทัตปล่อยช้างนาลายคิลีมาเพื่อทําลายก็ทํำลายไม่ได้แต่รู้ใช่ไหมคนทั้งเมืองรู้ใช่ไหมไม่ใช่จะไม่รู้ปฏิวัติกึ่งก้อนหินลงมาเพื่อที่จะทำลายพระทั้งหลายก็รู้ทําไมจะไม่รู้ <Yeah. S 1> แต่พระพุทธเจ้าให้อโหสิกรรม <Yeah. S 1> ไม่ได้ ไม่ได้มีการส่งเสริมอะคือคือพระทั้งหลายนั้นหึ้มๆุมอยู่แล้วแหลอะองค์พระที่เป็นบุรุชนเนี่ยบุรุชนนี่ก็พร้อมที่จะลงมือแหละอย่างที่ตอนพระพุทธเจ้าถูกพระเทวทัตกลิ่นก้อนหินลงมาทับมาสะเก็ดหินถูกพระบาทเนี่ยพระโลหิตห่อเนี่ยหมอชีวกมาพยาบาลถวายการรักษา กลางคืนน่ยพระก็จัดกันอยู่เวรเนนีเดินจงกรมกลางคืนเนี่ยเสียงเดินก็แ ก, ก๊แกก็แ ก, ก๊แกก็แ ก, ก๊แ ก, กพระเจ้าก็เลยถามพระอานุ์ว่าพระเขาทําอะไรกันอยันพิเศษนะวันนี้อยันเดินจงกรมพิเศษนะพระอานุ์ก็เลยกราบทูลว่านี้พระเขาเข้าเวรกันกลัวพระธิวัฒจะย้อนมาข้าพระเจ้าว่ะพระเจ้าเลยก็เลยบอกให้พระอานุ์มาให้พระไป จำวัดกับกุฏิไปเจริญสมณธรรมปฏิบัติเดินอยองโลมเ้าไม่ต้องห่วง เ, านะเราลอเพอไม่มีใครทำให้ตถาคตตายได้ตถาคตนี่เกิดเองเกิดเองตายเองกำหนดที่ตายเองไม่มีใครทำให้ตายได้นะ่ยนะดูในพระเมตตาของพุทธเจ้านะแต่ก็รู้อยู่ว่าใครเป็นใครนะ ถ้าไม่เมตตาว่าไงเออสารีบุตรจัดการหน่อยนี้นะี่โมคลานะจัดการหน่อยนี้พระเทวทัตจะมีอะไรนะลุมทีเดียวแค่นั้นก็อักเลือดแค่นั้นใช่ไหมโลตา น, น, น่นั่นนะั่นๆ่ะเขาพูดเลยเจ้าท่านมีเมตตาระดับหาที่สุดหาประมาณไม่ได้ยังเป็นสิ่งที่เราได้มีโอกาสเข้ามาถือศีลปฏิบัตรริรำบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินยัยนี่ ทำยังไงเราถึงจะปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าตัดสอนนั้นได้นเราอยาให้อยาให้คนอื่นต้องลำบากเพราะเรานึกออกไหมอย่าให้คนอื่นต้องลำบากเพราะเราเพระพระพุทธเจ้าห้ามไว้แล้วห้ามทำอย่างนี้นกฎระเบียบกติกาธรรมวินัยนี่ห้ามไว้แล้วแต่ถ้าเราล่วงลำ้ำละเมิดเข้าไปคนอื่นลําบากเพราะเราเนะ เห็นลำบากอา้าวนี่เดี๋ยวลืมจีวรลืมสังฆาตาิผ้าสังขาอ้าว อ, อาบัติปราจิตีใช่ไหมหมูก็ต้องมาโปร่งอาบัติมาสละผ้าม า, อ, าอธิษฐานใหม่อีกนั่นหมู่ลําบากเลยนะอาอาบัดหนักเข้าไปอีกยิ่งต้องให้หมูลําบากเข้าไปอี ก, ออกนั่นอย่างนี้แหละเรียกว่าเมื่อล่วงลําเข้าไปแล้วก็ไม่ได้หมายถึงว่าหมู่ละเลย พระบุตรเจก็มีข้อบังคับข้อปฏิบัติว่าต้องช่วยกันต้องช่วยกันแนะนํากันสั่งสอนกันอย่าทำอย่าทำตนเองให้เป็นภา ร, ระกับหมู่คณะมากนักหรือว่าอย่าทําบริษัทให้ให้ดูไม่ดีทําบริษัทดูไม่ดีท่านใช้คําว่าทูสกะทูบริษัททูสกะคําว่าบริษัททูสกะแปลว่าทําร้ายบริษัท ทำลายบริษัทนี่บริษัทจะนั่งกันใช่ไหมนั่งกันนี่ที es, ่มันมีที่ว่างนี่อะไรทำลายบริษัทนี่นี่ทำลายบริษัททาให้บริษัทไม่งดงามเนี่ยคนทําลายบริษัทเขาเรียกว่าทูบริษัทูสกะทําลายบริษัทไม่ได้ไม่ได้ทำบริษัทให้เต็มไม่ได้ทําบริษัทให้งามมันเดินบินทบาทอย่างนี้เดินไม่เสมอกันเดินไม่สํารวม เดินเมื่อยลอยหมู่พวกพาข้ามถนนเรียกว่ายัหาทางยังยังเมื่อยลอยอยู่อย่างนี้นี่แหละวาทำบริษัททูสกะเอาภาภาวนาไม่สนใจเอาพาฉันในบาทไม่สนใจเรียกว่าทูเรียกว่าทูสกะบริษัทเขาทําอย่างหนึ่งไปทําอย่างหนึ่งระเบียบมีอย่างหนึ่งไปทําอีกอย่างหนึ่งนั้นเรียกว่า บริษัททูสก้าคือทำลายบริษัทแปลว่าไม่ได้ทำให้บริษัทงดงามอันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะเราจะอยู่ที่ไหนที่ไหนก็ตามเป็นฆรวาสก็ตามเป็นพระเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นพระเป็นเนรนี้ก็ตามอย่าเป็นคนทำลายอย่าเป็นคนทำให้บริษัทเสียไปอยู่ที่ไหนที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าทำให้บริษัทเสียนั่นแหละเป็นบริษัทูสกะ มีพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้บริษาทูสกะอนั้นเขาไปศึกษาเรียนรู้พยายามหยิบยกเอามาเป็นข้อปฏิบัติทำให้เกิดความสวยงามก็เป็นบุญเป็นกุศ ล, ลนั่นแหละอันนั้นจะดีช่วยยังไงก็เมตตาช่วยกันอนุเคราะห์กันช่วยเหลือกันแนะนำกันอันไหนที่มันเป็นเรื่องที่ทำให้บริษัท ไม่ดีไม่งามก็พยาพยามพยาพยามพยายามพยายามบังคับควบคุมตนเองมก็จะดูดีขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเป็นคนมีสติมีปัญ ม, มีสติมีปัญญามีสติมีปัญญาเป็นกับมีสติสัมปชัญญะอะไรเป็นคนรู้ตัวรู้ตัวไหมว่าเราเองทำให้บริษัทเสีย แต่ไม่รู้ตัวก็มันก็ทำให้เกิดความรู้สึกความเข้าใจยากเหมือนกันก็ต้องแนะนาก็ต้องบอกก็ต้องช่วยกันอันนี้เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> การอยู่ร่วมกันไม่ใช่ของง่ายนะต่างคนต่างมาต่างพ่อต่างแม่ต่างจริตต่างนิสัย อ, อบรมทั้งสอนมาไม่เหมือนกันเมื่อมาอยู่ใน ร่มเงาของพุทธศาสนาตายร่มภากาสาวพัดอันเดียวกันแล้วถือว่าเป็นเป็นเป็นเรือนเป็นร่างเป็นรูปเป็นร่างเป็นร่างกายอันเดียวกันถ้าอันหนึ่งเสียก็คือหมายถึงว่ามันกระทบหมดอันหนึ่งเสียก็กระทบหมดคนใดคนหนึ่งเสียก็กระทบหมดพอเราลงเรือลาเดียวกันอยู่บ้านเดียวกันเป็นร่างกายอันเดียวกันแต่เรา ไม่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันแล้วนี่มันก็ยากกับการที่จะอยู่ด้วยกันกับการที่จะอยู่ร่วมกันเมื่อมีความสมัรสมารสรามัคคีในรูปแบบต่างๆแล้วก็ทำให้เกิดความสุขดันยิ้มว่าสุขาสังคัสะสามัคคีนะสุขาสังคัสะสามัคคี ความพร้อมเพรียงเนี่ยของหมู่ของคณะทําให้มีทาให้เกิดสุขทาให้เกิดสุขมันสบายเนี่ยหมู่พาทำก็ทําตามหมู่ก็สบายถ้าตัวเองไม่ทําที่นี้รู้สึกเลยเนี่ยรู้สึกแล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกหนึ่งละอายตัวเองรู้สึกเกร็งเกร็งยังไงไม่รู้เรามันลักษณะอย่างนั้นเราทําไม่เหมือนคนอื่นรู้สึกเกร็งเกร็งรู้สึกละอายนี่มันมาทําวัดสวดมนต์เนี่ยเขา เริ่มกันแล้วตัวเองก็พึงลุกอิลุงตุงดังมาอย่างเงี้ยนะ่ะมันลรู้สึกว่าละอายไม่ตรงเวลาก็รู้สึกละอา ย, อยานี่นะ่ะคือคือต้องเตือนตัวเองให้ได้ปรับปรุงตัวเองให้ได้ก็จะเกิดความสุขสุขาสังัสสามัคคี <c oughs> อเนี่ยทุ่มส5หแล้วนี่ วันนี้วันพระแปดคำก็าจะพาสวดชจ ย, ยินโตร้อยแปดจะเวลาไม่เกินสองชั่วโมงแหละต่อไปนี้ตั้งใจนะเป็นการเจริญภาวนาโดยการสาธยายชัยมงคลคาถา